เดีวต่อไปอขึ้นศึกษาต่อนะรายในการศึกษาตรงนี้จะขยายไปตามโลภะโทตะกโมหะเป็นไปตามลำดับก่อนแล้วก็ไปดูจิตดวงอื่นไปเรื่อยๆเห็นที่ต้องศึกษาอย่างนี้ก็เพราะว่าบางทีในหลักของคําสอนเนี่ยโดยมากเขาสอนผู้คนที่รู้รายละเอียดมาหมดแล้วแต่อย่างเราก็าอาศัยกลับไปทบทวน โลภะมูลจิตโทสะมูลจิตแล้วก็เหตุเกิดของโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปศึกษาในรายละเอียดของจิตที่นอกเหนือไปจากโลภะโทสะโมหะเป็นต้ น, นตในส่วนควําว่ามีตรา ค, างคังจิตที่ประตุ้นจากราคะเป็นต้นเหล่าเนี้อันนั้นก็หมายถึงพวกปุสสนอัพยากตะปายโลกียะ แล้วก็อกุศลและจิตสี่ดวนที่ได้กล่าวคือหมายถึงโทตามูลจิตสองโมหามูลจิตสองจึงไม่เข้าขบทต้นแล้วก็ไม่เข้ากับบนหลังดังนั้นอันนั้นจบตรงนี้ไปก่อนแต่ว่าตอนนี้มาศึกษาเกี่ยวกันในเรื่องของการว่าจิตที่มีโทสาก็รู้ชัดว่าจิตที่มีโทตาก็คือไปศึกษาเกี่ยวนในเรื่องของโทตามูลจิตนี่นะ ถโทสะมูลจิตเนี่ยเป็นจิตที่มีโทสะเจตสิกเป็นมูลเป็นประการโทรสะเนี่ยมีอยู่สองดวงใช่ไหมคืออยู่สองดวงดวงแรกก็คือโทมนัสสะสหะตังปฏิฆาตัพเพยุตังหาสังข า, าริกังมางแห่งก็เป็นอัศังข า, ารุตมีใช่ไหมก็คือจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธใดวงแรก เ่องดวงที่สองก็คือโทมานัสสหานะตังปฏิฆาสัมปยุตตัง ส, สังขาริสกเมกลางลึศตนางลิกมเมจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธทีนี้โทสามูลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าโทมานัสสหานะตังปฏิฆาสัมปยุตตังสังขาริสกเมการเึศ่า ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรองค์ประกอบของโทสะมูรจิตเนี่ยเนี่ยคล้ายๆกันแต่โลภะแต่ว่าต่างกันเพราะเวลาเราเจริญจิตาทุกปัจนาเราก็จะจิตที่มีโทสะากา็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะเนี่ยก็ต้องรู้ว่าองค์ประกอบของโทสะก็คือว่ามีโทสะเจตสิกเป็นประธาน คำว่ามีโพสต์เจตสิเป็นมูลเป็นประธานเนี่ยแต่ท่านใช้คําว่าปฏิฆาแล้วก็รวมเรียกว่าปฏิฆาสามยุทธคาว่าปฏิฆาสามยุทธรษฐกิจเนี่ยก็แปลว่าประกอบด้วยด้วยปฏิฆาก็คือประกอบด้วยความโกรธใช่ไหมประกอบด้วยความโกรธคําว่าประกอบด้วยความโกรธในที่นั้นหมายความว่าประกอบด้วยโพสต์เจตสิกใช่ไหมในโพสต์เจตสิกนี่เป็นเป็นสภาพที่ที่โกรธ แล้วก็เป็นอาสังขาริคือเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนทั้งกายประโยคววิจิประโยชน์ข้ามโนประโยคนไม่ต้องอาศัยไม่ไม่ไม่ต้องอาศัออายชักชวนเป็นโทมานาสาตจิตคําว่าโทมนาสาตจิตเข้าแล้วว่าเกิดพร้อมด้วยโทม า, า, านาัสวิทยานะ โทมนัตเวทนาเนี่ยคือความเสียใจใช่ไหมโทมานะตเวทนาเนี่ยเป็นเวทนานะแต่เวทนานั้นไปต่อละพดคือไปประกอบกับโทสาโมลสิกเลยเรียกว่าโทมานะตเวทนาแล้วยังมีเจตสิกอื่นๆหรืออภิสต์เจตสิก อ, อื่นเกิดลวกตามสมบวรเนี่ยนะทีนี้ในองค์ประกอบบางอย่างเนี่ยความเป็นมูลของโทสาเจตสิกเป็นอาศาาัศจรรย์ การที่มีเจตสิกอื่นประกอบตามสมควรเนี่ยนะเออปฏิฆาเนี่ยปฏิฆาในที่นี้ได้แก่อะไรได้แก่ความโกรธในที่นี้ความโกรธก็ได้แก่โทต่าเจตสิกใช่ไหมก็โทต่าที่เรียกว่าปฏิฆาเนี่ยเพราะเป็นสภาวะที่กระทบกระทั่งกันมาถึงกระทบกระทั่ง คือโทสะเนี่ยเพราะมีความดุร้ายเป็นสภาพทีนี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยย่อมกระทบกระทั่งอยู่กี่ประการการเกิดขึ้นของโทสะกระทบกระทั่งสามประการหนึ่งย่อมกระทบกระทั่งสัมปยุทธธรรมคือทําให้สัมปยุทธธรรมนั่นเศร้าหมองและเล้าร้อนสัมปยุทธธรรมคือทำที่เกิดร่วมกันอย่โทสะนได้แก่อะไร ไม่แก่อะไรก็คำว่าทำที่เกิดร่วมกันกจะโทสะเนี่ยคือเกิดร่วมกันกจะโทสะจิตเกิดร่วมกันจะโทสะใจตั่นสิเพื่นะก็มีพวกผันษาเวทนาสัญญาเจตนาเอตตะตาเป็นต้นเหล่าเนี้ยฉะนั้นเวลาเขาสภาวะของปฏิฆาที่เขาแปลว่ากระเทากระขั่งเนี่ยกระเทากระขั่งก็คือว่ากระเทากระขั่งสมัยุทธรำ ทำสัมปยุนธรรมเนี่ยเช่นทำอัตตาเวรนาสัญญาเจตนาเอกนตตาชีวิตินทร์มาธิการเป็นต้นเนี่ยให้เศ้าหมองเร้าร้อนตามตัเองด้วยคือสภาพของโทสะเจตสิกเนี่ยเขาเศร้ามองเขาเร้าร้อนเอยู่แล้วเขาไปยังเป็นเหตุกระทบกระทัท่งดูเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้สามประโยชรมแต่ทำแต่ที่เกิดร่วมกับเขาเนี่ยเศ้ามองแล้วก็เร้าร้อนด้วย อันนี้ก็เห็นชดัดนะนะว่ า, าพบคนเช่นใดย่ำเพื่อนเช่นน <ś c oughs> ั้นทำไมเราพบคนทามทางทางโดย่ายนะตนอันนี้เขาเรียกหนึ่งคือกระทบกระทั่งแบบนี้สการที่สองย่อมกระทบกระทั่งที่ต้านของตนอะไรเป็นที่ตั้งของโทส่า โถตาเจตสิกโถตามมระเกตกับโถตาเจตสิกเนี่ยเป็นต้นไหนเขามีที่ตั้งตรงไห น, นขาดพยัญถูกใช่ไหมถามว่าเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกแน่นตรงไหน <c oughs> <c oughs> นี่มันเริ่มจะทบกระทาโหแต่คนเคยโกรธมากๆย้อย่ายออยู้มบางทีต้องมือคำที่ออกเลย ใช่ไหต้องทำไว้เลยก็แสด ง, งให้เห็นชัดว่าเขากระทบกระทั่งหาทเยวัตถุแล้วก็เผาผานที่ตั้งเขาบอกว่านอกจากเผาผานที่ตั้งกก่าวคือหาทเยวัตถุแล้วเนี่ยยังกระทําคนโกรธให้มีผิวหน้าไม่งามอีก ฉะนั้นประเภทที่สวยที่สุดเนี่ยถ้าให้โกรธโกรขึ้นมาเนี่ยความสวยที่เคยสวยที่สุดขายเครี่องเลงเขาก็บอกว่าเราให้นางงามจักรวาลที่เราโกรธจริงๆโกรธแบบโกรธจริงๆขึ้นมาและความเป็นนางงามจักรวาลจะหายไปในทิศดาหนึ่งเขาเรียกว่าเทือกทิดาหายหายไปตายในทิศดาตัวแทนดวงนั้นเลยเรเป็นกันจริงนะความโกดเนี่ย ฉะนั้นกระท้อกระทั่งหัวใจเออแปลกมากคนโกรธแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ที่เขาบอกว่าจกิตแต่เจตสิกอาศัยขัติยาสิเกิดนี่จริงนะทั้เวลาคนเราเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ปวดหมอก่อนมันปวดที่หัวใจกว่านะ เมื่อเียบใจจริงจริงเจ็บใจจริงเวลาคนเวลาเสียใจที่ใครพูดแมให้เจ็บโอจริงจริงเจ็หมันไม่ไม่ไม่เจ็บใจจริงแบบตก็ไหนนี่ฉะนั้นเราแล้วไมเห็นชัดว่ากระทบกระทั่งสการที่สามก็คือว่าย่อมกระทบกระทั่งอารมณ์ของตนคือรับอารมณ์ด้วยความไม่พอใจนี่เขาเรียกว่ากระทบกระทั่งภายนอกและกระทบกระทั่งอารมณ์คือ คือการถัดใสประฐุสลายไม่ต้องการต่ออารมณ์หรือถอยจากถอยกลับจากอารมณ์นั้นอย่างนี้เขาเรียกกระทบกระทั่งต่ออารมณ์เพะนั้นการกระทบกระทั่งหลวงพ่อจะเนี่ยมีอยู่สามประการประการแรกก็คือกระทบกระทั่มสัมยุทธร ร, รมเนี่ยทำสัมยุทธรรมนียให้ความเข้าหมองเล่าร้อนประการที่สองก็คือกระทบกระทั่งที่ตังคือก็คือว่าทำอัตยวัตุ แล้วตลอดถึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ผิวหน้าไม่งามจนประการที่สามก็คือว่าเราท้อกระทั่งเสื่อมอารมณ์ฉะนั้นเวลาโพสต์ตเตือนกับอาจารย์กับอารมณ์ใดเราจะไม่พอใจอารมณนะ์นั้นไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะได้ยินใช่ั้มเช่นคนคนนี้อะไรเห็นที่อะไรแล้วมันไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเห็นคืออยากเจนในนี้เขาเรียกว่า มีการขัดใสตะทุษสลายไม่ต้องการต่ออารมณ์นั้นถอยกลับจากอารมณ์นั้นเลยนะทีมีประเด็นไปอย่างนีน้อันนี้คือหลักการในการปฏิคะปฏิฆะที่แปลว่ากระทบกระทันเพอจะมองเห็นได้ย่างโทษศสตรโทษาสตร์นี่จิตที่มีโทษาสตก็รู้ชัดว่าจิงที่มีโทษศาสต์ก็ให้เห็นโทษโทษ้ออย่างนี้ก่อนน ะ, วนะเวลาเจริญจิตดาวุฒปัตนาจะได้จะได้ทันที่นี้ เดวงเนี้ยถ้ากล่าวบอกว่าตามโทษาเจตสิก ท, ที่เป็นมูลเนีนะชื่อว่าโทสามูลจิตโทษาเนี่ยเป็นเหตุให้จิตเนี่ยตั้งมั่นแล้วก็ทําให้อคุโสร้ายธรรมันดูคำอคุโสร้ายธรมอื่นๆเนี่ยนะก็คือการก้าวล่วมอคุศสร์กรรมบวชหรือก้าวล่วงกรรมบวชเป็นต้ น, นให้เกิดขึ้นฉะนั้นจึงสําเร็จเป็นธรรมที่ตั้งให้สมบูรณ์ต่อไปถามบอกว่า ในโทสศัพทุรจิจเนี่ยมันไม่ได้มีมูลหนึ่งแท่านั้นนะยังมีโมหาเป็นมูลได้อยู่ด้วยใช่ั้มแต่มีโทรศัพนเองเป็นมูลพิเศษจึงเรียกว่าโทรศัพท์ธุรกิจไม่เรียกว่าโมหาธุรจิจใช่ไหมต้องมีปัญหาบอกว่าโอ้ก็เขามีโมหามูลอยู่ด้วยคำหมาไม่เรียกว่ามีมูลเอ่อมีเรียกว่าโมหาธุรจิจใช่ไหมบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าปุณิย์ามีโทสศนั้นมันเป็นมูลพิเศษ จึงเรียกว่าโทตากุลยุทธจิตนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าปฏิฆาเนี่ยนะงนองค์ประกอบทั้งที่ได้กล่าวนี่นะว่ามีการเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิฆาสัมยุทธจิตทั้งที่ได้กล่าวเป็นต้นหลักการสามประการนทีนี้ประการที่สองก็คือว่าคําว่าโทมานะในคําว่าโทมานะศาสตร์ยจิตเนี่ยเป็นชื่อของ โทมานะตเวทนาทีนี้โทมมนะตเวทนาเนี่ยมันมาจะคําว่าพูพูนี่แปลว่าอะไรดิพูนี่แปลว่าชั่วแต่ว่าไม่ดีนี่แนะ่ส่วนคําว่ามันโนเนี่ยแปลว่าจิตตัวความก็คือว่าปุมมะนะผู้มะนะเนี่ยก็เื่อจิตไม่ดีจิตที่ไม่ดี จิตในหนึ่งคำว่าทุมมานะหนึ่งเขาแปลว่าผู้ที่เรียกพร้อมด้วยจิตที่ไม่ดีความเป็นจิตไม่ดีหรือความเป็นผู้เรี้ยกร้อมจิตที่ไม่ดีเรียกว่าโทุโมนันโทุมมันะเนี่ยได้แก่เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจว่าบุคคล น, นั้นเป็นผู้ที่มีจิตไม่ดีและเป็นที่มาของชื่อว่าทุมมานะในจิตที่ประกอบกับตอนและในบุคคลที่ผูกพรมด้วยทุกขังใจฉะนั้นโทุมมานะศาสตร์จิ ต, ตเนี่ยเพราะความที่สอราโคตหรือ ปาปนกับโทมานะสวทนาถึงความเกิดขึ้นพร้อมกันเริ่มต้นกับเวทานาเหล่านอันนี้ลักษณะอย่านี้เขาเรียกว่าโทมนานะสวทนานี้ดวงแรกส่วนดวงที่สองอันนี้ดูดวงที่สองเลยนะเป็นโทมานะสัจคตาดำปฏิฆาสัมยุตัง ส, สัจสังขาริจังนี้จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนเพราะมด้วยความเสียใจยที่ประรองเป็นความโกรธ องประกอบเหมือนเงินกับดวงแรกสานกันว่าอันนี้เป็นสตร์สังคาริสก็คือว่ามีโทต่าเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานแต่ใช้คำว่าปฏิฆามารวมกันเรียกเรียกว่าปฏิฆาสัมประโยชน์ก็คือประกอบด้วยความโศนเป็นจากสังคาริี่เกิดได้โดยมีการกึดถวนเป็นโทมานาส่าเจตสิกก็คือเกิดพร้อมด้วยโทมานาสเวทนาแล้วก็ยังมีอคุลเจตสิกอื่นมาเกิดประกอบด้วยทีนี้ ในธรรมสองประการนะระหว่างโทมณนะสตเวทนากับคำว่าปฏิฆาเนี่ยโทมณนะสตเวทนาระปฏิฆานี่นะโธหรือโทสาเนี่ยนะเป็นเป็นไปแยกกันอย่างนี้ด้วยว่าในคราวที่เป็นไปพร้อมกันก็มีอาการคล้ายกัน ก็คือว่าภาวะที่ไม่ต้องการหรือถอยกลับจากอารมณ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะการจะอย่างรู้ว่าโทมนานะทีคือปฏิฆะจึงเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเหตุนั้นน่ะถ้าจะศึกษาไรไยายละเอียดตรงนี้เขาบอกว่าก็าศึกษาประการแรกจะศึกษาเวทนาบัณฑบอกว่าเวทนาเนเป็นธรรมชาติที่สเสวยรสของอารมณ์โในการที่ดื่มดั่งรสของอารมณ์การดื่มดั่งรสของอารมณ์เนี่ย ไม่ใช่ว่าตักแต่ว่าได้มีส่วนในการชิมอารมณ์บ้างเหมือนอย่างคาที่ประกอบร่วมอยู่เช่นว่าตัวเวทนาเนี่ยเวลาก็าสวยรสของอารมณ์เนี่ยเขาต่างจากผัสสะต่างจากสัญญาต่างจากเจตนาต่างจากมรณะิการเป็นต้นเพราะว่าผัสสะเจตนาสัญญามนณิตการเป็นต้นเนี่ยเขาตักแต่ว่าได้มีส่วนในการชิมรสของอารมณ์แล้วนั้น แต่ตัวที่เข้าไป็เสวยรสของอารมณ์นั้นน่ะตัวเวทนานีนะฉะนั้นตัวเวทนาเนี่ยเขาเป็นถ้าพูดถึงว่าเหมือนพระราชากับคนที่ปรุงใช่ไหมคนที่เป็นพ่อครัวเนี่ยเวลาชิมก็ได้แค่ชิมแต่คนที่เป็นพ่อครัวเนี่ยเหมือนกับเจอสิ่งอื่นแต่พระราชาที่ได้เสวยอาหารอย่างเต็มที่เลยเสวยรสอาหารอย่างเต็มที่เลยฉะนั้นเหมือนพระราชาเหมือนตัวเวทนาฉะนั้นในการ แยกแยะธรรมชาติเกี่ยวในเรื่องของฐานเวทนาขนันเป็นต้นอะไรเนี่ยนะโทมนัสเวทนาในการเสวยรสของอ น, นิจฐารมเนี่ยคืออารมณ์ที่ศัก์ไม่น่าปราถนาคือมีรูปที่ไม่งามเป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะลักษณะของโทมนัสเวทนาในที่เกิดกับโพสานเนี่ยถามบอกว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงบอกเสวยรสของอารมณ์แต่การเสวยรสอารมณ์ของอารมณ์ที่ศัก์ไม่น่าปราถนานนั้เนี่ย เช่นว่ารูปไม่สวยเสียงไม่เพราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยคําว่ารูปไม่สวยเนี่ยอาจจะเป็นรูปสวยก็ได้แต่ท่านผู้นั้นดูแล้วไม่สวยใช่ไหมไม่สวยแล้วเขาก็เกิดโทสะเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าจะให้สุนัขเนี่ยไปดูดอกไม้กับดูอุจจาระเนี่ยสีของดอกไม้ก็สีของอุจจาระเนี่ยสุนัขชอบสีเหลือุจนี่นะฉะนั้นสีของอุจจาระเนี่ย เขาดูแล้วเขาเกิดโลภะแต่ถ้าสีของดอกไม้เนี่ยถ้าดูแล้วสุดแม้เขาอาจจะเกิดโทษะอย่างนี้เป็นต้นนั้นมันอาจจะไอคำว่าไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นปาิกราก็ได้อาจจะเป็นสภาวะก็ได้แต่นั้นก็ไปดูในรายละเอียดนั้นลักษณะก็คือว่าต้องมีการเสวยรสของอ น, นิฐารลมรสของอ น, นิฐารม Blue แต่ว่าจะเป็นอนิจารมแบบประเทเป็นปริศตตาอนิจารมหรือว่าสภาว่าอนิจารมเนี่ยก็ไปดูรายละเอียดเพราะว่าแตกต่างกันแต่เฉพาะชนิดของบุคคลไปซึ่งซึ่งเราแตกต่างกันนะเดินดูสีอย่างอย่างเราเนี่ยทั้งๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เหมือนเหมือนกันเนี่ยแต่สีที่เป็นอารมณ์ให้เกิดปฏิฆาเนทางอนิจารมเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนจะดูสีหน้าคนคนนี้เราเกิดอนิจารมแต่ถ้าไปดูสีหน้าคนนึงเนี่ยเกิดอนิจจารมเนี่ยนะ นี่มุ่งหมายคือว่าดูสีหน้าใครแล้วเป็นปัใจจัยให้เกิดโทสะคูไม่ชอบใจอ่ะอันนั้นเ็าเรียกว่าเป็นอั น, นิษฐานมคืออารมณ์ที่สับไม่น่าปราถนาอันนี้เป็นลักษณะมี น, น, นำเนื่องเข้าในเวรนาขันเพราะว่าเวรนาอะไรก็รูุ้นพบเข้าในเวรนาขันตามลักษณะคื อ, ค, อคือการสวยอารมณ์ส่วนปฏกิค้าอ่ะ เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความดุร้ายเป็นลักษณะปฏิท่าเนี่ยเป็นขันอะไรเป็นสังขาราภขันเนมีลักษณะที่ปรุงแต่งสังขารธรรมคือปรุงแต่งขันห้าปรุงแต่งเวทนาสัญญาบุญกาลวิญญาณและปรุงแต่งรูปกรรมใช่ไหมทีนี้แต่ส่วนเวทนาโทมานะเวทนานี่ยเขาสวยอธิษฐานมเป็นลักษณะ ส่วนโทสาเนี่ยเขาก็มีสภาวะคือเป็นธรรมชาติคือมีความดูร้ายเป็นลักษณะนั้นถ้าถามว่าสองอย่างนี้ต่างกันไหม ว, ว่าเป็นความเป็นขันต่างกันแต่ว่าในสภาพของความดุร้ายก็ต่างกันใช่ไหมเพราะว่าตัวเวทนา น, นี่ก็สวย ร, รถเช่นตัวยวทอธิฐาลงนี้คือเป็นลักษณะเกลือลงนี้ไม่น่ากล้าขนาน ปฏิฆาเนี่ยเขาก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าแต่เขามีลักษณะของความดูร้ายเอแต่ว่าเวทนาโทนันสเวทนาเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ดูร้ายนะเขาไม่ได้จูงแต่งเขามไม่เป็นไปในลักษณะอยู่นะแต่ตัวปฏิฆาตัวโทตานี่เขามีลักษณะดูร้ายเลยกนะ็ น, น, นับเรื่องในธรรมสาลนะครับถ้าจะว่าทังเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นแล้วว่าโทนันสเวทนามนี่ยนิฐารมอย่างไดอย่างหนึ่งไม่เด่ปฏิฆาเนีายมีอะไรเึงเหตุ ปฏิฆาไมมีอาคาตวัตถุใช่ไหมคือวัตถุที่เป็นเหตุเป็นปันใจจัยเกิดโทสะก้าประการเนี่ยเกิดขึ้นเราบอกว่าทอมนัสเวตนามีอนิจจ า, าลมแต่ปฏิฆานี่คือโทสะความโกรธเนี่ยมีอาคาตวัตถุคำว่าอาคาตวัตถุเนี่ยคือความคิด หรืออาศัยเหตุแห่นความมาฆาตเหตุั้เป็นที่ตั้งอาศัยของความมาฆาตเขาเรียกอาฆาตวัตถุวัตถุอาจจะที่ตั้งแห่งความมาฆาตเกิดมีอยู่เก้าประการมีอะไรบ้างเนี่ยบุคคลย่อมอาฆาตเพราะความคิดเกี่ยวกับการจะทําของผู้อื่นที่มีต่อคนเนี่ยโดยในว่าเขาได้ประพฤติสิ่งเสียหายให้แก่เราเนี่ยเขากําลังประพฤติ สิ่งเสียหายให้แกเราเขาจับต่อเพื่อสิ่งเสียหายให้แกเราอันนี้เป็นบอกว่าเขาได้ปรับพื่นความเสียหายเนี่ยแต่ว่าผ่านมาแล้วนี่เป็นอดีตเขากําลังต่อเพื่นความเสียหายใ น, ยาา น, านี่เป็นปัจจุบันเขาจับตรอเพื่อนความเสียหา ย, ห ย, ายามียย่คาดการณ์ว่าในอนาคตในอนาคตอีกคนคนนี้ยมาเล่นงานเราแน่เกี่ยว <c> เ <oughs> งียบก่อนนะรู้ไหมเตรียมวางแกดไวยแล้ว ในสมัยก่อนที่เราไม่ได้ศึกษาเกีเ่ยวกับคำที่เกี่ยวกับโศกศัพ์นี่ไงถ้ารู้ว่าเรื่องคนคนนี้ยมันจะมันจะเล่นงานเราเนี่ยเราต้องเล่นงานเ้าก่อน <c oughs> <c oughs> ต้องรีบแก้เขาก่อนใครใส่คำคำประเภทนที้ไว้ลงมาตลอดกระบวนการเคยบางทีเนี่ยนะบางทีเราเคยแม้บางทีเราไป ที น, นี้เวลาเวลาไปบอกลูกบอกล้านือบอกพี่บอกน้องแรงจังเนี่ยนะพอไปบอกพวกเนี่ยบางคนเนี่ยพอไปเราไปสอนเขาพวก ก, ก็สวนมาดันดีเลยคนะือเขาไม่เชื่อฟังเลยขลเขาก็ด่าเราเขาก็ว่าเราสวนเรามาทุกครั้งวิธีจะสอนเขาต่อไปแล้วบอกเขายัางไรลูกนะี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือเราหลับวางคืออที่จริงในขณะที่เราจะกล่าวหรือจะว่าสอนใครเนะี่ย แล้วเขาก็มีคนว่ า, ากับเราเนี่ยเราก็บอกเขาเนี่ยเขาทำกรรมไม่ดีใช่ไหมเขาทำกรรมไม่ดีนะเพราะในขณะที่เรามีเจตนาดีๆจะบอกกล่าวเขาเนี่ยแต่เขากับมีเจตานาไม่ดีในการว่ า, ากล่าวเขาแต่ที่เราเจอแบบนั้นเพราะกรรมของเราใช่ไหมใช่เพราะกรรมของเราเราเคยทาสิ่งที่ไม่ดีเทำไ้แต่เราก็ต้องบอกเขาว่าแต่เราก็สงสารคนที่กําลังจะทําใช่ไหม เขากำลังจะทำจำใหม่เออทำเป็นหัวร้อกั็ร้องห้าเหมือนแค่กันเลยใช่อหมาำเหมือนแค่ใช่ไหมเหมือนแค่ที่เขาจะเอาไปฆ่าแล้วร้องห้างอหัวร้อก่อนแล้วก็ร้องไห้าเดี๋ยวเขาก็จะถามเราเองเลยเอ๊ะหัวล้อทําไมแล้วทำไมถึงร้อห้างเราบอกหัวล้อเขาสงสัยจำเราจะหมดแล้วเนี้ยต่อไปจะไม่มีคนพูดสวนเราอีกแล้วแล้วที่ร้องไห้างล่ะคนสงสาร เขาสาคนก็จะทำกรรมใหม่ต่อไปไปสอนใครก็มีแต่คนเยกก็เป็ลู <est h> ย่างดนเนียรติเ้าาเป็นลูกายน้แเกปนยงนะว่าาวเปนัง่ย่เลยนิการแรกนะปะการที่สองก็ถือว่ายอทาามทําความเอาค่าให้เกิดขึ้นเพราะมีความคิดเกี่ยวกับการจะทำของผู้อื่นที่มีต่อคนที่ตัตวเองละ คือประการแรกคือต่อตัวเองประการที่สองคือคนที่ที่เราลักตามที่จะคือว่าเขาได้ต่อเครื่องสิ่งที่เสียหายใกับคนที่เราลักแล้วหรือเขาทาความเสียหายกับคนที่เราลักเนี่ยเช่นนี้ครับถ้าเราลักใครเราชอบใจใครเนี่ย ี่มีคนประพฤติความเสียหายให้กับคนที่เราลั่นเลยคือเราทามาแล้วเนี่ยเช่นเราไปถูกเขาด่ามาแล้วไปถูกเขาประทุษร้ายมาแล้วเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุให้เราโกรธไม่พอใจหรือเขากําลังประพฤติมีกําลังเห็นเลยประพฤติความเสียหายกับคนที่เราลักที่เราเราโกรหรือเขาจับประพฤติสิ่งที่เสียหายกับคนที่เราลั่สมมติว่าเราไปลั่นใครเรื่องคนงนี้ไห เราลูกโอ้คนที่เราล้งางในตอนเยื้อตาสมุดกรอดนี่ยถือกำลังเยื้อเนี่ยกําลังเยื้อเนี่ยกรอดเียหรือคิดว่าเมื่อเดวต่อไปก็จะเยะื้อหนีกับยิ่งกรดใหญ่เลยอันนี้ยกตัวอย่างนอัน <c oughs> นี้เกี่ยวกับบุคคลที่เราแต่านี้จะเป็นลกูกเป็นหลานเราใช่ไหมเราก็จะเป็นปนักแสดงตการที่สามก็คือว่าย่อมทําความมาฆ่าให้เกิดขึ้น เขามีความเกี่ยวกับการจะทำกังผู้อื่นที่มีต่อคนที่เราเกลียดอันนี้แก่ศัตรูเนี่ยนะเช่นเขาได้ตอบเคื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์จากคนที่เราเกลียดพอใจหรือไม่พอใจพอใจไหมไม่พอใจดิเจ๊มั้ยเช่นคนคนเนี้ยโอ้โหเราเกลียด ม, มากแต่อยู่ต่อมามีแต่นคนเราขอไปไงโอ้โหเจ๊มั้ยไหนยังไม่อะไรไม่พอใจ หรือว่าเขากำลังมาพึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ในคนที่เราเกลียดเราไม่พอใจหรือเขาจับมาพึ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่คนที่เราเกลียดเราไม่พอใจรวมเก้าประการเนี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยวกับบุคคลสามจพวกคือตอนเองคนที่เรารักและต่อคนที่เราเกลียดอย่างนี้เขาเรียกว่าอาคาตะวทุกข์เก้าประการส่วนประการสุดท้ายคือประการที่สิบ อีกอย่างก็จะพร้อมกับอาานะเราหรือว่าเหตุที่มีสมควรเช่นอยู่ดีๆเนะม่อฝนตกโกรธนะไม่น่าตกเลยใช่ไหมฝนตกโกรธโกรธเดินเดินไปแล้วไปสะดุดตอว่านะไง อันนี้เ้าเรียกอาคาแต่วัตถุนนะคือวัตถุเป็นที่ตั้งกอ่ความมาฆ่า ม, าามีวียมอยู่คนหนึ่งไม่ใช่ยอมนะต้องยอมพ่อเป็นพี่ชายนะเป็นพี่ชายหรือหมายก่อ น, น แ, ตแต่ยังไม่ได้บวชคือแกปวดนะแกโกด ต, ต้นไม้คืออย่างเราตอนนั้นไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะแต่ดูก็ขอมเลยคือแก เค่นั่งลำไม้สิ่เจ้าคือสมัยก่อนมันมีเกวียนใช่ไนั่งบนเกวียนเนี่ยตีไม้มันก็ตีดมามาถูกแล้ววันเดียวโอเคเจ็บลงไปนอนติน้นดีตถูกจุดสำคัญเนี่ยโอ้โหพอแ ก, กป่วนยังไม่ได้ตกดมาแกจอบไปเลยนะขึ้ขุดตีไม้ต้นนั้นหมือไม้เล็กๆอามาแค่เอามาสอบเยอะ <laughs> แค่ห เกือกไม่รู้จะทําอยังไงเลยใช่ไหมกเราเราดูแล้วก็เออน่าของพวกเกิดแต่ธรรมดีเราบ้างในสมัยนั้นไม่รู้เราจะทําแบบนั้นหรือเปล่ามีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหตุที่ไม่สมควรเหตุนี่ไม่สมควร คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้โทสะเป็นไปพร้อมกับโทมานโเวทนาเกิดขึ้นฉะนั้นเราบอกว่าเหตุของเหตุของโทมานโเวทนามีอ น, นิธาลงนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดจนเหตุของโทสะหรือปฏิฆะก็มีอาคาตวะวัตถุก้าพร้อมทั้งประการพิสี่ 10, ก็ด้วยเหตุที่ไม่สมควรก็มีฝนตกมีฟ้าล้องมี เดินสะดุดต่อเป็นต้นหรือเดินไปชนคนนั้นคนนี้อะไรต่างต่างพวนี้ที่เนเหเป็นปัจจัยเกิดโทสะลักษณะนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดโทสะที่เป็นอย่างนี้นี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิกาส์จิตหรือโทสะจิตี่เกิดขึ้นฉะนั้นลักษณะของโทสะเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเป็นถ้าบอกว่าถ้าเราเป็นประธานออกหน้าคือในเวลาที่บุคคลโจทย์ผู้อื่นไม่พอใจเนี่ยเขาบอกว่าอาการฉุนเฉียวกลับะลุ้ม ชื่อว่าโทสะเป็นประธานก็ว่าออกหน้าอาอกหน้าสภาวะของโทสะทีนี้โทสะมีปรากฏชัดส่วนในเวลาที่บุคคลเศร้าหมองยกตัวอย่างเช่นว่าเสียใ จ, ยจอิดหวังน้อยใจยเกี่ยวกับคนที่ทัดท่าหรือคนที่เร า, ารักหรือทรัพสมบัติวิบัติเป็ต้นเหล่าเนี้อันนี้ก็เรียกว่าโทมนาโตเวชนาออกแยกให้ออกตรง น, นี้ก็คือว่าบางครั้งก็โทมนาตเวชนะออกหน้าบางครั้งก็โทสะมีออกหน้า ฉะนั้นในขณะที่โทสะกี่เกิดขึ้นก็มาแยกแยะ ว, ว่าเอยโทสะที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะเป็นประเภทโทสะออกหน้าหรือโทมนันะออกหน้าถ้าหาว่าโทสะหรือปฏิกั้นหรือโทสะเจตสิกเป็นประธานออกหน้าเนี่ยก็เกี่ยวกับการที่ว่าเราโกรธคนอื่นไม่พอใจเราฉุนเฉียวเรากัดกรุ้มลักษณะนี้เขาเรียกว่โทสะเจตสิกเนเป็นประธานหรือออกหน้า แต่ถ้าเขามานั่งเวยนาออกหน้าเนี่ยก็จะเป็นไปเราเศ้ า, าเคยเคยเศ้าเคยมผิดหวังไหเคยคบ่อยไหถ้าตุผิดหวังไหมบ่อยนะอาต ม, มานี่นิดห ว, ว, วังทิ้ทุกวันเรู้ผิดวงทกวันเลยไม่รู้เป็นไง ส, ส, สมัยก่อนก็เขียนยกก็ย่างไหมบางทีเนี่ยสมัยก่อนก็นานได้หลายสิบปก็ไปยืนคอยรถไอ้รถที่เราคอยก็ไม่มาใช่ไห ม, ไ, หม <c oughs> ไอ้รถที่ไม่ได้ไม่คอยมาอยู่ด้วย แล่วเข้าแั่เข้านะนั่งไปชดมันได้ดอจะดูนีว่าเ ม, มื่อไรมันจะมาใช่ไหมนั่งคอยอยู่อย่างนั้นนหะโอ้สอ ง, ส, องสามชั่วโมงแล้วนั่เข้ามาติดๆดกันเลยแบนี้มาติดต็ดกันเลยพ <c oughs> อเห็นเสร็จแล้วไม่ขึ้นแล้ว เดินกลับเนี่ยพอเดินกลับมาในสภาพเอกินได้นี่เราเดินไปเราเดินกลับทำไมพ่อมาใหม่ไม่ไม่เห็นเลยเลยบางทีไม่ต้องอะไรเราดึงไงเนี่ยกระดาษทิโชูใช่ไหมถือถือไปกล่าวว่าเออเราจะได้เช็ดอะไรก็ก็ถือไปในสภาพเี้ยถือไปถือมาก็แค่ตำคานเห็นถังถ่าะอาทิ้งพอทิ้งเสร็จ เป็นเังไร้ไหมน้ำมูกเจ้ากรรมก็ไหล้วกาคิดหวังอะไรตัเนี้ยนชีวิตมันจะเป็นแบบนี้ให้เราปัญหาโยความคิดหวังมนเกิดตลอดเวลาไม่ค่อยสบควรรู้ท่านผูอื่นเป็นมึงตัว เ, น, เนี้ยใช่ไหมล่ะจนี้คือกาคิดหวังเนี่ย แล้วถ้าคนที่เ้ามีสร้างเหตุใจมาดีเนี่ยคือเขาสร้างเหตุแห่งความสมหวังไว้เอาวิธีสร้างเหตุของความสมหวังก็เราทำยังไงก็คือว่ารู้ว่าเขาหวังอะไรก็พยายามทําให้เขาสมหว ต, ตัวนี้ไม่ใช่ว่าอสา ม, มีปากธนาภรรยา น, น้อยก็หาไม่ไม่ใช่นะไ่ไ อ, นนอันนี้อันนี้ไม่ใช่เหยุของความสมบวังอันนี้ยกเว้นเอาต้องเอาเรื่องที่มันมันเป็นบุญเป็นกุศลถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปไม่มีวงเว็บตรงนี้ยุ่งกลับไปบ้านได้ไ่ได้เรืองสรางเหตุสองความสมหวังที่คุณจะได้ไม่ผิดวง คือพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นวระโพธิสัตว์ใน้ัู้เจริญถ้ารู้ว่าเขาหวังอะไรเนี่ยก็ก็ปรารถ น, นาที่จะให้เแล้วให้อย่างนี้ด้วยนะเจอวันก่อนเราไปศึกษาตอนต อ, อเนี่ยพระโพี่ศัพว์ที่จะมาตัดสรู้ในอนาคตตอนที่ท่านฟังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนใช่ไหมครูท่านเคียงพยายามจริงจริงที่บอกว่าท่านเป็นพระราชาหมากระสัด ทีพอเป็นพระราชาหมาก็ะตัดมีอยู่วันเนะมม้นสมมาเนนเนี่ย อ, อสัมมาเนนะรู้สึกว่าจะเดินไปทุรัฐแล้วก็จะไปหาเงินเออหาอะไรทาไปไทยพ่อแม่เรื่องอะไรพ่อแม่เป็นท่านี้น่องเลยต่อมาก็ไปเจอพวกโจรพวกเขาที่ประทุสร้ายก็ไล่ขับตีเนนเนี่ย ว, วิ่งวิ่งวิ่ ง, ง, งไปก็ไปอยู่ต่อหน้าต่อภาคของพระเจ้าเป็นยืนที่เป็นพระโพิสัต์ แล้วพอที่ตัดก็ถามว่าเจวานี้นี่คือใครเนี่ยสมณเณรเขาบอกว่าอาจามาชื่อว่าสมณเณรก็เลยถามบอกว่าไอสนน้สมณเณรเนี่ยโดยไปใชกคำว่าไอ้เนี่ยสมณเณรเนี่ยใครตั้งเนี่นก็บอกว่าพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใอนอาจารมาพอได้ยินคําว่าพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นั้นเราขนสลบเลย ตลบเลยคือปีสี่ตัดตัดที่เป็นตาเกิดขึ้นมาไม่ได้หายใจก็วิสังยีพอฟื้นขึ้นมาก็มาถามสมัเนรว่าบัตนี้เนี่ยใช่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับไปไหนก็รู้เบ็เสร็จก็ยี่ม น, น, นสมัยเนรวัดสึุโขมบรพอเสร็จเบ็ดเสร็จก็ยกราศบาลังให้เลยบอกไม่เอาแล้ว พอยกราชบัลลังก์ให้ก็เดินได้เท้าเปล่าระยะทางน่าจะประมาณสิบหกยนเดินเดินเดินไปได้สักพักหนึ่งด้วยตวตเลงเป็นสุขุมละมาลาชาก็เดินไม่ไหวเท้าก็แตกเลือด ก, กไหลเพราะเลือดไหลนองพื้นก็คุกเขา่าแล้วก็คานไปคานไปได้อีกประมาณสักน่าจะเป็นยี่สโยนน่ะเข้าน่ะเข้าแตกหมดไม่ไหวเพราะไม่ไหวก็ใช้ใช้หน้าอก ดิ้นไปดิ้นไปเรื่อยทีนี้อยู่ต่อมาพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่วัดนี่นะพระพุทธเจ้าในบีนี่ชื่อจำไม่ได้พอรู้ว่าก็เออตอขอพิจารณาดูก็เห็นนี่นอนเรือพุทังปูนอยู่ใช่ไหมเออว่าพระโพธิสัตเนี่ยโอกาสหนาจะมาพบเราอยู่ ก็เลยแปลงเป็นมานกหนุ mm ่มพระพุทธเจ้านี่นะแล้วก็ขี่เกวียนเดินทางไปเลยพอเดินทางมาเบสเด็จเนี่ยพอมาถึงตรงนั้นก็ยืนบนเกวียนก็ถามบอกว่าเท่านผู้ใดมาขวางทางเกวียนของเราเนี่ยถนกไหมจงหลบออกหนีจากหนทางเดี๋ยวนี้นะว่าเราจะจะขี่เกวียนเนี่ยผ่านไป ถ้าโพ ธ, ธิจักเนี่ยนะคือพี่เจียกัณฑีพรสียาเม่ยใจเนี่ยที่จะมาจากข้างหน้าเนี่ยท่านก็บอกบอกว่าบอกว่าเราเราไม่ควรจะหลีกให้แก่ท่านท่านที่สมควรที่จะหลีกให้เราเพราะว่าเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ใช่ไหมคือคือเราเนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้าคือถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เอี่ยนน่าคิด น, นะว่า ในขณะที่พระโพธิสัตว์ที่ท่านท่านเพียรพยายามไปอย่างนี้ในนะท่านคิดถึงใครท่านมีพุทธคุณในเวณารมณ์ฉะนั้นเมื่อท่านมีพุทธคุณเป็นอารม์ท่านจึงถาวายชีวิตอย่าเป็นทานเลยนะถาวายชีวิตเลยยอมทุกอย่างเดินเดินไม่ไหวาคานคานไม่ไหวก็เกือบถึงตาหมอนนะทินไปอย่างเงี้ยทีนี้พอมีมีพระพุทธเจ้าที่แปกายเป็นมาลนมาบอกว่าให้หลินท่านบอกว่าเราไม่สมควรหลินท่านหรอก พราะเพราเรานี่รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วรู้จักคุณของพรพุทธเจ้านะจึงไม่สงคนรหลีผู้อื่นต่างหากที่ควรจะหลีกให้กับเราเราก็จะได้ไปก็จะไ ป, ปะเฝ้าพระพุทธเจ้าคุณท่านเดี๋ยวตรนี้เป็นข้อคิดสำหรับพวกเราเนะี่ยให้เวลาเราเดินไปไหนอะไรไหนเราก็ไม่ต้องหลีกไป ถ้าเขาบอกว่าขคุณทําไมไม่หลีกเราบอกคุณเนี่ยควรหลีกเราเพราะตอนนี้เรากําลังมีพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่ใช่ไหมอันนี้พูดจริงนะเนี่ยใช่ไหมอันนี้พูดจริงนะเพราะในขณะที่มีคุณของพทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ในใจตอนนั้นถามว่าเป็นคนที่ฆ้าใครมาประพฤติดีกับเราเขาจะได้บุญไหมโอ้ได้บุญอย่างมากมาก ฉะนั้นเราบอกเราต้องเรียนยันว่าเรารู้จักพระพุทธเจ้าพอสมควรเรามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ฉะนั้นท่านควรหลีกเราเราไม่ควรหลีกรันแต่ถ้าหากไปแต่ถ้าแต่ถ้าไปเดินตามเราจะน้ำหลวงไม่ได้เราตหลกเขาจะง่ายนรืองบุบกรุงพอพอต่อมาใช่ไพระพุทธเจ้าก็ก็ให้ก็เชิญให้มโนพี่ขึ้นบนบนคนเทียน แล้วก็หาคำไป้าไปเป้าตัวเอง <c oughs> แล้วพะเจ้าไปกระทำก็หายไปก็ไปกประ เ, กไปไปก เ, เอ่อนท่านนี้ก็ประทันนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เข้าไปเป้าพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมสุดยอดใช่มะพระพุทธเจ้า ก, ก็แสดงอนิพานพอไปแสดงบอกว่านิพานเนี่ย เป็นธรรมที่เป็นบรมธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดเป็นต้นเพราะว่าสุขอื่ยิ่งไปไต่พิพานเป็นบรมสุขเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างไหนจะเท่ากับพระนิพานไม่มีพอพูดแค่เนี้ยท่านบอกให้พอปล่อยพอ่อยบอกว่าเพราะกล่าวเพียหนึ่งคาถาเนี่ยนะท่านบอกให้หยุดทําไมต้องบอกให้หยุดท่านบอกว่าท่านยังไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องบังานาเลยเออใช่ไหม แค่ฟังหนึ่ง้าถาเนี่ยบุญคุณก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบแทนแล้วถูกัม้มท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านก็ประกาศยืนยันท่านขอบูชาพระธรรมด้วยการตัดศีรษะท่านก็ที่ฐานให้เล็บของท่านเนี่ยออกงอกออกมาเป็นดาบแล้วก็ตัดศีรษะเนี่ยบูชาพระธรรมฉะนั้นท่านตัดศีรษะบูชาพระธรรมเลยเนะผมหมดมาคิดอย่างนี้รู้สึก ถ้าคนศึกษาไม่ดีเนี่ยจะจะเสียหายเลยตรงเนี้ใช่ไหมว่าเออคนที่เก้ามีทั้งตัดศีรษะบูชาธรรมะเนี่ยกือพระโพธิสัตว์นี่ฉะนั้นในกรณีอา น, นิสงส์แบบเนี้ยอานิสงส์ที่ท่านจะได้รับในอนาคตเนี่ยท่านจะมีมลัทธิมือตลอดเวลาคือลัทธิมือออกจากออกจากศีรษะออกจากอะไรด้วยด้วยอา น, นิสงส์แหงการที่ปัดศีรษะบูชาออกมา เขาบอกขนาดตาดสีตานี้ยังไม่ยังมีงค่าน้อยกว่าทำบ้านหนึ่งบาทนะท้าโอ้ยเดี๋ยดี๋ีต้องไปคิดนานๆเลยนะถ้าคิดประเดี๋ยวกต่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวยังไม่เข้าใจทำไมปัญญาอย่างเราเรามองไม่ออกทำไมเป็นขนาดนะั้นถ้าอย่างเราคิดยังไม่กล้าคิดเลยกล้าคิดไหมจะทบไม่ได้ <c oughs> เราบ่อยๆนะเนี่ยทามาพูดถึงเลย ที่นี้เหตุให้เกิดโทสะนั้นมีอยู่ห้าประการอันนี้เขาเข้าใจแล้วนะว่าถ้ามีโทสะเป็นประธานนีน่ก็คือความกัดกรุ้มความไม่พอใจความขืนเฉียวแต่ถ้าหากว่าโทรมระเววนาก็คือความโศกเสียใจติดหวังน้อยใจเกี่ยวประการพักค่าเป็นต้นแบบนี้ที่นี้เหตุของโทสะที่มีอยู่ห้าประการนะโทสัชยาสยะตาก็มีอัจฉรยยิยใสเป็นคนมรกโศกโ ท, โทสัชยาใส มีโทส า, า, า, า, า, า, า, าเป็นเจ้าเรือนก็เข้าใจครับว่าเจ้าเรือนเขาาเป็นเจ้าเรือนในที่นั้นก็คือขนันขันเนี้ยเช่นขันกลุ่มเนี้ยนะรูปเวทนาสญาสงครามเนี่ยในขันกลุ่มเนี้ยมีโทสาเป็นเป็นเจ้าเป็นหัวหน้าอยู่อยู่ขันเนช่นกลุ่มของขันห้าของนายกเนี้ยใช่งงไหมมีโทสาเป็นเจ้าคือถ้า มีอารมณ์อารมณ์ผ่านเข้ามาโทสะขอเสดก่อนนะ <Akt. S 1> ขอขอขอเกี่ยวป้องกันมีสัทธารมย์ันาวรมราษราลมโหสถารมเข้ามาสุ่มของขันธ์คนผู้นี้โทสะจะต้องออกไปวาทวุ่ลายวรตน์ไหนที่เขาจะมีโทสะเป็นเจ้าหรือใช่ไหมเช่นว่าเขาพูดดีก็ส่วจะมากระจกเอาอะไรอีกล่อะไรเงี้ยนะโสเทสะเขาเตือน ถ้าเขาพูดไม่ดีบอกอาพูดดีดว่ามันคหน้าอะไรเงี้ยมันมันก็จะไปแล้วสนหนงคือคือจะจะโทรสารได้ทุกเรื่องเ ค, เคยเป็นมเรื่เขาพูดดีก็โกรกพูดไม่ดีก็โกหเขาไม่พูดเป็นใบยังไงเรือไี่เป็นใบนี่ก็เป็นไน ง, นไง <S <S ใช่ไหส่วนหนึ่งมันก่อนก็มันก่อนเอง เขาเขาประชุมประชุมน้าหนงเขาก็เอาคาราวาส ม, มาบรรยายอะไรก่นอนเขาก็บอกว่ hmm. าพูดมันมีโยมคนหนึ่งนยะเขาเขาเป็นในแแค่แต่เขามาบรรยายเขาก็าบรรยายเรื่องเรื่องเรื่องภรรยาที่คิดเขาบอกว่าเวลาสามีเวลาสามีกับกลับจักบา้านเจ อ, อกับกลับจากทำงาน พอกลับมาจะทํางานวกก็ไปคนรถเลยเป็นส่วนเลยพอไปได้เส้นผมยาวๆเส้นนึ่งว่าโอ้เป็นเรี่ยมเลยว่ากรวดขาด้วยโอ้โหคือก็เส้นผมเส้นเดียวในเขาบอกว่าไม่ได้นอนนั่นคือไม่ได้นอนนั่งคือก็เส้นผมเส้นเดียวคือถ้าเส้นมันไม่โด้เส้นผมใครเนี่ยมันไปร่วมอยู่ในรถเนี่ยมันยาวๆก็แบบนี้ทิ้มพอวันที่สอง ก็ไปค้นอีกอันนี้ไม่มีไม่มีเศษผมไปคำอาอสอบเดี๋ยวนี้ครบคนหัวโ ล, ล้วไงต้อเล่าเรื่องเนี่ยคือ <á> <ate> หาหลักส า, านไม่ได้สันนิษฐ า, านว่าครบคนหัวโลรักขนาดนี้คือเขาไปเล่าฟังไม่รู้ว่าจริ stimmt, งหรือแค่เนี่ยเดบ่ความแล้วเราไม่แน่ใจมันีหรือว่าคนตัวเตี้ยมันั่นงไม่นั่น จะได้หมอโกเขาเล่าอยู่นี้ลักษณะนี้ก็เรียกมีอัจยาสายเป็นคนมกักนโกรธมีโทสะเด่นเยอยู่อการที่ 2, สองคือมีความคิดไม่สุ ข, ขุมแค่คนโกรธเนี่ยจะไม่ละเอียดในเรื่องความคิดหรอกคิดแบบหยับหยาบคิดแบบเร็วเร็วลวกลวกเขาไว้ยุ่นแล้วก็ประการที่สามก็ขับปัดสุดตาตาก็ถือว่ามีการถึงสามคน จะแปลกมากสื่อาในที่นี้หมายถึงศึกษาในศีลสมาธิปัญญานงะแต่สื่อสาวิช า, าการอื่นๆคนยังไม่สู่ดเดี่ยวแต่ต้องศื่อานิดึงเนาะประการที่สี่ก็คืออาการวัตถุสิบประการที่ได้กล่าวประสบกับอากาตถวัติุสิบประการที่ห้าก็คือได้ประสบอารมณ์ที่ไม่ดีแลยเมธีห้าประการเนี่ยการมีอัจยาสายเป็นคนมักโกรธมีโทสะเป็นเจ้าเรือนก็เพาะเพรอะไร ปฏิสติสิโดยมีโทสานเพราะกรรมที่ทําไว้ในอดีตชาติมีโทสาเป็นบริวารมามากคือในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนีพบนี่นะ เ, ออเป็นคนมักโกรธแต่ชาติเพราะว่ามีคนคนหนึ่งนะเป็นท้าด้วยนะที่พูดแล้วก็เลยมากกว่านักศึกษารเรียนบาลีจะรู้เลยเรีนมากไปจะเอาจะเล่าถึงท้าที่มีโทสานแล้นะี่ยเออเวลาท่านจะสอนภาษาบาลีย ในรูปในตาของใครคนเดียวตับครับคือจะต้องอยู่ห่างไกลแล้วก็จะต้องเอาของอะไรต่างๆไปไว้ไกลๆมือเนี่ยถาจับได้ท่านคว้างหมดเลยว่าเท่านักเข้าเขา้โทรศันี่ก็แรงแต่ท่านสอนดีจริงวันุรพระาชนิบาลีเท่าน้นท่านก็บอกว่าเรือนี้ก็แล้วกันเวลาใครจะมาถามปัญหาธรกมะท่าน ท่านให้เอาคุณแกขังท่านลอกคุณแจไว้เวลาท่านโกรขึ้นมาท่านจับห้องห้องตรเนยเขย่าก็ว่างนั้นว้างนี้ลยาสักพักหนึ่นงได้สงบแล้วก็จะชี้ายดีได้เลยว่านี่ไ <c oughs> <c oughs> ม่โกรธแบบเจ้าเลยนักอยากเรียนด้วยไเรื่องนี้ไม่ <c oughs> <c oughs> เอาไเอาการความรู้ไม่เอาเลย <c oughs> <c oughs> ขนาด น, นั้นเลยก็คนสมัยก่อนเขาเรียนจะมาแบบ น, นั้นเองแต่ถ้าทักกับครูเนี่ยเขาจะเคารพจะไม่สมัยก่อนจะไม่ได้จะโกรธจะอะไรอย่างไ ร, งรงก็ไม่ไหวแต่เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบ น, น, น, นี้คือโกรธมากเต็มๆคุณฉลลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นคนโกรธที่มาเป็นคนมกกักโกรธอย่นี้เพราะว่าทํากรรมแอนดิที่มีความโกรธเป็นบริวานมาคืขขอเกี่ยวข้องกับความโกรธเลย แล้วคนบางคนเป็นยังไงจริงนะเขาพูดนิดเดียวเนี่ยพอไม่ถูกอารมณ์มาลุกทุ๊บเป็นัดแสดงอาการชุ่มเฉียวขึ้นมาอลยเงี้ยก็เห็นมาเยอะแล้วแปลกก็เห็นระดอบพระเถร่าใหญ่ๆด้วยนะอานทีดูๆแล้วก็แสดงอาการโกรธออกมาเลยอก็ไปเริ่มตัแบนคือคือจริงๆการบวชเข้ามาในพระศาสนาต้องรากตรงนี้ใช่ไหม แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาถือเรื่องความโกเออถ้าใช้ตัวตมากเนี่ยบา ร, รมีดีก็เป็นอย่างนั้นแปลกแปลกเคยไปเจอว่าประเจ้าอยู่อันนี้เราเอาประเจ้ามาเล่ามันก็คือคือปกติเนี่ยเวลา ท่านท่านเป็นคนหอมอตัวเล็กๆคนนั่งนับถิ่นเพื่อนคุยกับโยมเนี่ยจะพูดกับกูมึงนกูมึงใช่ไหมแต่ที้ก็ท่านนั่งอยู่ก็มีโยมโยมก็มากรมากางโยมไม่สูงไม่ยู่งปรากบเสร็จเขากับลงพ่ออยี๋นยนี้ฉันไม่รู้เป็นอะไร มันปวดมันเมื่อยดำทาตัววยหมดนะท่านฟังยูครับมึนได้เราพยายามนะเออเขาก็เป็นกันนั้นแหละแต่เขาไม่พูดเราก็นไม่ได้ ใ, ใจโยนจับมองนะ เราลองมาคิดดูแก่ก็ันแสกนะแต่ถ้าจริงๆิงเป็นอย่าง น, นั้นนะกก็ปวดเมืเเอ่อยแต่กเกิดกล้อมกระดูกอยากจะพูดบอกกันแก้ว่าท่านกลังเ็ใช่ใช่แต่แต่แ่ลวเขาไม่พูดกันยอเด็กมองหน้าเร็ว เ, วเวอวีโอคุจินหรเอคนถูกนเข้านะเข้ายอมว่าลุกหนีหลอกลองเอาไปใช้วิธีพูดกัน ถ้ามีใครก็ปวดลูกรู้สึกปวดเจ็บตรงนั้นไก่ตายแล้วก็่งกลับไปดูโอ้เดี๋ยวยิงไม่มค่อยอยากใครอยากจะคุยเยเนี่ยรักษณะเองก็ว่ามีมีการทํากรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของความโกดด้วยใ น, นดีเดชันคือมีกรรมถ้าถามาถว่าทำกรรมประเภทไหนที่เกี่ยวกับความโกรเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าในขณะที่ทําบุญเนี่ยนะทําบุญก็หงุดหงีดไปในขณะที่ทํา งมหยิ่ไปบ้าหรือว่ามีเหตุมีปัจจัยทําให้เดือดร้อนเยอะด้วยฉังเกตีดตรง้ว่ า, นนวาคนที่เป็นเจ้าภาพเวลาทําบุญคนมาเยอะๆ เ, น, เนี่ยเครียดไอ้ น, นั้นก็ไม่พอกินไอ้ น, นี้ก็ไม่พออะไรต่างๆอะไรเนี่ยเหมือนคนทีบอกว่าสินค้าเขาไปถึงบ้านแล้วแล้วก็อาหารก็ยังทําไม่เสร็จ คนทำเลยก็ไม่เสร็จฝปายฝ่ายน้ามีก็มาคุยกับน้าถ่วงเวลาเขาไว้เวลาที่ก็ห้าโงกว่าแล้วเนี่ยนะพักนม่ก็ปวดม่านไปแล้วไปถามมาแล้วเสร็จแล้วแม่กาลังก็ยิงอยู่ก็กลับมาแล้วมานั่งคุยกับน้าต่อคุยไปคุยมาอย่างนี้มันก็เดือดห้าโมงคึ่งหรือเปล่าแล้วก็ไปถามเวลาจะเสร็จ ก็มันไม่ตบแล้วมึงจะกินไปได้ไงกูดจิงส้นช้าได้ยงไอเขาบอกพระพระก็เล่าตามเล่านั่นแต่เด็กระบอไม่ไปแล้วเยอะเนื้ออมาต่ำกลัว่าจะเรียนสองสามียายามจะทะเลาะกันเพราะเลยเรียกเรียกสามีเข้าไปว่ามึงจะกินได้ไงกูจิ ทีแรกก็พูดพอ่อพูดแม่ ม, มีๆตสอๆทิศน์ต่อๆทิศน์มามึงพูดเลยลำบากอย่างนี้เขากรรมลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีมีโทสะนะมีโทสะเป็นบมืวันหรืออย่างในกรณีที่บอ ก, กว่าใส่บาตรทุกวันเนี้ยคือโยมผู้หญิงก็ใส่บาตรทุกวันจะมีวันหนึ่งตื่นสายเออไม่ไม่ได้ตื่นสายล้วตื่นขึ้นมาเนี่ย ก็ก็ไม่ค่อยดีก็ให้บอกให้ตาเนี่ยตาตาไม่ใส่บาทเ่ไม่ใส่บาทก็แบนั้น่ย้ายที่เทียมไปกเทียงมาน่งเข้าน่เข้าย้ายกระเทียมไประไทียด้วยไปนั่งเข้ามาจับขายก็ไปบ่นบ่นใช่ไหมนี่รอบเนี้ยไม่พอใจมั้งตอนเรียนพายบัเบ็นบัไม่ด้ก็เล่นเล่นเล่นย้ายไม่ได้แล้วเล่นเรียน อันนี้เป็น่จริงนะแต่เยนกลับมาเล่าให้ฟังบอกว่าจะโยบ้าอาว่าโยบอกว่าขอไปนะให้กลัให้หานเรนเข้ามาแต่เช้าเลยเนี้ยเยนไม่รู้เลยใครบอกเขา จึงเป็นบุญเหมือนกันนะในขณะที่ทำใช่ไหมแต่มีโทษสาวเป็นบริวารถ้าเป็นตัวผู้สอนนั้นส่งผลใช่ไหมแต่มันเป็นผู้สอนที่มันมีแบบประเทศนี้มีโทษสาวเป็นคือคนดังนั้นถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ในพบนี้ก็เป็นคนมากโกรธผู้โกรธเจ้าที่โกรธ ก, ก, ก็อ น, นี้ก็ต้องประการต่อมาคือมีความคิดที่ไม่สุขหน็น คือมีความคิดคิด ท, ที่ไม่ดีไม่คิดเจรณาเรื่องราวกระาพันต่างๆให้ลึกซึ้งก่อนอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดความโกรธหรือการศึกษาที่เรียกว่าสุตตะเนี่ยน้อยเพราะว่าไม่ได้รับการศึกษาในเรื่องของโลกธรรมเช่น ว, ว่าไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวในเรื่องการมีราบเสื่อมราบมียอเสื่อมยอดๆๆนินทาสารเสริอมสุขไม่ทุกเนี่ย เพรโรกธรรมเนี่ยมันเป็นไปกับสัตรูสังขารทุกอย่างพวกอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลใดเนี่ยถ้าหากจิตใจมันไม่มั่นคงมันก็โกรธและถ้าหากเติมลาบรือว่นินทาความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยจะเสียใจหรือถ้าหากว่าลาบยศสุขสรรเสริญเกิดขึ้นกับคนที่เราเกลียดเงนโยนศัตรเป็นคือ อันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาจึมีสุจ่าน้อยในเรื่องธรร ม, มระเรื่องต่างๆวันนี้ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดโทตาก็เกิดโทาออมานะเป็นต้นหนึ่งที่เกิดขึ้นนี่ลักษณะนี้ก็เรียกวา่าการศึกษาฉะนั้นอาการเกิดขึ้นของจิตยังที่ได้กล่าวแล้วก็ก็เป็นไปในลักษณะนี้อันนี้คขบว่าจิตที่มีโทสาก็รู้ชัดว่าจิตที่มีโทสาก็ก็เจริญจเจริญจิตตาในพัฒนา น, นี่หมดเวลาเลยมีใครจะถามเลยเหลือเวลาอีกสิบนาทีถ้ามันมีก็เดี๋ยวเลยลองเจริญโทรศัพท์ตปฏิค่าันเดียวโทรศัพตปฏิค่าเดียวไหมโทรศัพตปฏิค่า แปลว่าโทมมานาเตเวตนาและปฏิฆาเนี่ยต้องเกิดร่วมกันตลอดเสมอนะต้องเกิดร่วมกันเสมอไม่ใช่ ต, ามมตา่างคนต่างเกิดแต่ว่าโทสากุลกิจเนี่ยไม่สามารถเกิดร่วมกันกับเวทานาอือ่อนได้อนอกจากโทมมานาเเวตนาทานั้นเวลาเขาจะเกิดขึ้นก็ร่วมเกิดร่วมกับพร้อมกับโทมมานาเเวตนาเท่าั้น จะไปเข้าใจว่ า, สาสเอ๊ะถโทสะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดพร้อมจะสุขอเวท น, นาก็ได้อันนี้ไม่ใช่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเออหัวล้อไปแล้วก็โกรธเนี่ยแล้วก็แค้นหัวล้อเนี่ยเลยไปเข้าใจว่าออโทมนทันัฐไอโทสะนี่เกิดพร้อมกับโสมนันัฐจะเช่นบางคนกออ็เสียใจมากๆเลยหัวเลาะอะไรเงี้ยนะหัวล้อกับชดชี้เนี่ยอชชันอนั้นไม่ใช่แล้วแคจริงโทมนัฐดับไปก่อนแล้วโสมมันัฐจะเกิดขึ้น เราจะไปเข้าใจยังไงฉะนั้นพระโธมนั้ตเวทนาต้องเกิดร่วมกันกับปฏิฆาที่เกิดร่วมกับโธศาสัก ท, ทุกท่านแล้วโธศาส์จะไม่เกิดร่วมกับเวทนาอื่นเช่นอุเบขาเวทนากับสมนัตเวทนาเนี่ยเขาไม่เกิดร่วมอต่อไปเดินจเจริยนกรรม า, า น, น